ติชรณคมนียเถระประธานประวัติในอดีตชาติของพระติชรณคมณียเถระพระติชรณคมณียเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนเลี้ยงดูมารดาและบิดาอยู่ในกรุงจันทวดีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นคนตาบอดข้าพเจ้าเลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในครั้งนั้น ครั้งนั้นเข้าเจ้านั่งอยู่ในที่สงัดจึงคิดอย่างนี้ว่าเราเลี้ยงดูมารดาและบิดาอยู่จึงไม่ได้โบทมวลมนุษย์ถูกความมืดมนอนตรการปิดบังไว้แล้วถูกไฟสามกองแผ่เผาอยู่เมื่อเกิดความเป็นเช่นนี้ขึ้นแล้วไม่มีใครจะเป็นผู้แนะนำบัดนี้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกประกาศคำสั่งสอนให้รุ่งเรืองสาธุใคร่บุญอาจเพื่อจะถอนตนขึ้นได้ ข้าพเจ้ารับสารณะสามแล้วรักษาให้บริบูรณ์ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นข้าพเจ้าจึงพ้นทุกข์ติได้ข้าพเจ้าได้เข้าไปหาสมณะนามว่านิสภะผู้เป็นอ克拉สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วรับสารณะคมครั้งนั้นเราสัตว์มีอายุประมาณแสนปีข้าพเจ้าได้รักษาสารณะคมให้บริบูรณ์ตลอดระยะเวลาเท่านั้น เมื่อจิตดวงสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่เทพเจ้าเราลึกถึงสารณคมนั้นได้แล้วด้วยกรรมที่เทพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนั้นเทพเจ้าจึงได้ปเกิดอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อเทพเจ้าอยู่ในเทวโลกได้ประกอบแต่บุญกรรมไปถึงภูมิประเทศใดๆย่อมได้เหตุแปประการในภูมิประเทศนั้นๆคือหนึ่งเทพเจ้าได้รับการบูชาทุกทิศ 2. เป็นผู้มีปัญญาหลักแหลม 3. เทวดาทั้งปวงย่อมประพฤติตามสได้พกคุสมบัตินับไม่ถ้วนหเป็นผู้มีผิวพันธ์ดังทองคำหเป็นผู้มีไหวพริบในทุกเรื่องเจเป็นผู้มีหวั่นไหวต่อมิตร8มียศฟุ้งขจรไปเขาพระเจ้าเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติแปดสิบชาติมีเหล่านางเทพอับสอนห้อมล้อมได้สวยที่พระยะศก ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ75ชาติได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่โบนับชาติไม่ท่วนเมื่อถึงพบสุดท้ายข้าพเจ้าประกอบแต่บุญกรรมได้เกิดในตระกูลพราหมณมหาสาลมั่งคั่งที่สุดในกรุงสาวัตถีเวลาเย็นวันหนึ่งข้าพเจ้าต้องการจะเล่นจึงออกจากนครมีพวกเด็กๆคล้อมล้อมเข้าไปยังสังขารามณที่นั้น ข้าพเจ้าได้พบสมณรูปหนึ่งผู้หลุดพ้นไม่มีอุปธิท่านแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าและได้ให้สารณะแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้านั้นฟังสารณะแล้วระลึกถึงสารณะของข้าพเจ้าได้นั่งอยู่บนอาชนะเดียวได้บรรลุอรหัตผลแล้วข้าพเจ้าเกิดได้เจ็ดขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุทรงรู้คุณสมบัติ ข, ของข้าพเจ้าแล้ว จึงประทานอุปสมบทให้ในกลับที่นับมิได้นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถึงสารณะทั้งหลายกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วเพียงนั้นแสดงผลแก่ข้าพเจ้าในอัตภาพสุดท้ายนี้สารณะข้าพเจ้าก็รักษาไว้ดีแล้วใจข้าพเจ้าก็ได้ตั้งมั่นไว้แล้วข้าพเจ้าจึงสวยยศทุกอย่างแล้วได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหวคือนิพพาน บรรดาท่านที่ต้องการจะฟังจงฟังข้าพเจ้ากล่าวข้าพเจ้าจักบอกบทอันเป็นประโยชน์ที่ข้าพเจ้าเห็นเองแก่ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกาศาสนาของพระชินเจ้าแผ่ไปอยู่พระองค์ทรงลั่นอมตะเพรีบรรเทาลูกศรนคือความเศร้าโศกได้ท่านทั้งหลายควรทําอธิการในนาบนที่ยอดเยี่ยมตามกําลังของตนท่านทั้งหลายจักพบพระนิพพาน ท่านทั้งหลายจงรับสรณะสามจงรักษาศีลห้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วจักทำที่สุดทุกขได้พวกท่านทุกคนจงถือเข้าไเจ้าเป็นตัวอย่างรักษาศีลแล้วก็จะเป็นลุกอราตผลได้โดยไม่นานเลยพระติสรณะขมณนิยะเทระกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นผู้ได้วิชาสามมิริศฉลาดในเจโตปริยญาณ ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากข้าพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ขอถวายบังคมพระยุคลาบาทของพระาศาสดาในกลับที่นับไม่ได้นับจากกลับนี้ไปข้าพระองค์ได้ถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสรณะจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถึงสารณะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิน ญ, ญาหก ข้าพระองค์ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระติสรณคมณณิยเทระได้ภาสิทธาเหล่านี้ด้วยประการฉนิติสรณคมณณิยเทราประธานที่สามจบสปัญจศีลสมาทานิยเทราประธาน ประวัติแน่ดิจชาติของพระปัญจศีลสมาธานิยะเถระพระปัญจศีลสมาธานิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติแนดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นลูกแจ้งอยู่ในโครุงจันท ว, วดีมัวขนขวาในการงานของผู้อื่นจึงไม่ได้บวชข้าพเจ้าคิดว่ามวลมนุษย์ถูกความมืดมนอนตะการปิดบังไว้แล้วถูกไฟสามกองแผดเผาอยู่ เราจะพรากจากไปได้ด้วยอุบายอย่างไรนอทยธรรมของเราก็ไม่มีเราช่างเป็นคนน่าสงสารเป็นลูกจ้างอยู่ทางที่ดีเราเพิ่งรักษาศีลห้าให้บริบูรณ์ข้าพเจ้าจึงเข้าไปหาภิกษุชื่อว่านิสพะผู้เป็นสาวกของพระมุนีพระนามว่าอนมมัสสีแล้วรับสิกขาบทห้าข้อครั้งนั้นมูสัตว์มีอายุประมาณหนึ่งแสปี ข้าพเจ้าได้รักษาศีลห้าให้บริบูรณ์ตลอดระยะเวลาเท่านั้นเมื่อเวลาใกล้ตายมาถึงเข้าเราเทวดาย่อมให้ข้าพเจ้าดีใจว่าท่านผู้นิรุกข์พราถเทียม้าหนึ่งพันตัวคันนี้ปรากฏแล้วเพื่อท่านเมื่อจิตดวงสุดท้ายยังเป็นไปอยู่ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงศีลของตนเองด้วยความที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นข้าพเจ้าจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นเดวดึง และข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติถึงสามสิบชาติมีเหล่านางเทพอับสรห้อมล้อมได้สวยที่พรญติสุขอันหนึ่งข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจ็สบ้าชาติได้เป็นพระเจ้าประเทศราชดลภัยบูณนับชาติไม่ถ้วนข้าพเจ้าถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วได้จุติจากเทวลโลกมาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลมั่งคั่งที่สุดในกรุงเวสาลี เมื่อศาสนาของพระชินเจ้ายังรุ่งเรืองอยู่มารดาและบิดาของข้าพเจ้าได้รับสิทธาบท5ห้าข้อในเวลาใกล้เข้าปรรษาข้าพเจ้าร่วมรับศีลกับมารดาและบิดาหวนระลึกถึงศีลของตนเองนางบนอาสนะเดวได้บรรลุอรหัตผลแล้วข้าพเจ้ามีอายุห้าขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระจักสุทรงทราบคุณสมบัติของข้าพเจ้าแล้ว ได้ประทานอุปสมบทให้เนื้กลับที่นับนี้ได้นับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้ารักษาศิกขาบทห้าข้อให้บริบูรณ์แล้วจึงไม่ตกวินิบาตเนรกเลยเขาพเจ้านั้นได้เจวยศเพราะอนุภาพแห่งศีลเหล่านั้นเขาพเจ้าเมื่อจะประกาศผลของศีลตลอดทั้งโกรกลับก็คงจะประกาศได้เพียงส่วนเดียวเท่านั้นเขาพเจ้ารักษาศีลห้าแล้วย่อมได้เหตุสามประการ เคอเป็นผู้มีอายุยืนมีโภกสมบัติมากและมีปัญญาเฉียบแหลมเมื่อเข้าไเจ้าท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ประกาศคุณของศีลทั้งปวงและความเพียรเยี่ยมบุรุษที่มีประมาณยิ่งเข้าพเจ้าจึงได้ฐานะเหล่านี้สาวกของพระชินเจ้าประพฤติอยู่ในศีลมีอนิสงส์นับนิได้ถ้าจะพึงยินดีในภพพึงมีผลเช่นไรศีลห้าเข้าพเจ้าผู้เป็นลูกจ้าง มีความเพียรบำเพ็ญดีแล้วข้าพเจ้าจึงพ้นจากเครื่องผูกทั้งปวงได้ในวันนี้เพราะศีนั้นเนืกลับที่นับมิได้นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้ารักษาศีลห้าแล้วจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลของศีลห้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทา4ีวิโมกข์แดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัญจศีลสมาธานิยเตระได้พาสิสคาถาเหล่านี้ด้วยประการฬชนิปัญจศีลสมาธานิยเตราประธานที่สี่จบหอัณเสังสาวกเถระประธานประวัติในอดีตชาติของพระอัณ น, นสังสาวกเถระ พระอเ น, นสังสาวกเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคำกำลังเสด็จไปในระหว่างร้านตลาดมีลักษณะอันประเสริฐตามสิบสองประการคล้ายแท่งทองคำพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะดังดวงประทีปสองโลกให้สว่างโช่ช่วงผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้หาใครเปรียบเทียมไม่ได้ ทรงฝึกฝนพระองค์แล้วทรงไว้เชื่องความรุ่งเรืองเขาพระเจ้าได้เห็นแล้วได้ปีติอย่างยิ่งเขาพระเจ้าถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนิมนต์พระองค์ผู้เป็นพระมหามุนีให้เสวยแล้วพระมุนีทรงประกอบด้วยพระกรุณาในีโลกทรงอนุโมทนาแก่เขาพระเจ้าในครั้งนั้นเขาพระเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา ผู้ทรง่อให้เกิดความชื่นชมอย่างยิ่งบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกลับหนึ่งในกลับที่เกบสนับจากกลับนี้ไปเขาระเจ้าได้ถวายทานไว้ครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายภิกษาคุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปดและอภินยาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอเนนะสังสาวกะเทระได้พากิัสคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้อเนนะสังสาวกะเทราประธานที่ห้าจบ6ทูปทายกะเทราประธานประวัติเนฎิจฉาของพระทูปะทายกะเทร ะ, ร ะ, ทระพระทูปทายกกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสได้ถวายทูปประจำพระกุฎีแต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆคือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆข้าพเจ้าย่อมเป็นที่รักของพวกเขาแม้ทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งการถวายทูป เนื้อกับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทูบไว้ครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายทูบคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระทู ป, ปะทายกะเทระได้ภาสิทธานเหล่านี้ด้วยประการชนิทูปะทายกะเทราประทานที่หจบเจปุลินะปูชกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระปุลินะปูชกะเทระพระปุลินะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพเจ้าขนทายเก่าที่ลานโพอันประเสริฐ ของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีทิ้งแล้วขนทรายสะอาดมาเกลี่ยไว้แทนในกับที่เก้าสบอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายทรายไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายทรายเนกับที่ห้าสิบสามนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดมีพระนามว่ามหาปุลินะปกครองคนมีภารานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาสี่วิโมกแปและอภินยาหกข้าพญญา 6, าเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำํำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปุรินะปูชกะเทระได้พาสิขาเหล่านี้ด้วยประคาราชนิปุรินะปูชกะเทราประธานที่เจ็ดจบปด อุตยะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอุตยะเทระพระอุตยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นจรเข้อาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาข้าพเจ้าขนควายหายือของตนจึงได้ไปยังท่าน้ำสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามภูผู้ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศ พระนามว่าสิทธัตถะพระองค์ประสงค์จะเสด็จข้ามแม่น้ำจึงเสด็จเข้ามายังท่าน้ำเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงแล้วแม้ข้าพระเจ้าก็เข้าไปถึงที่ท่าน้ำนั้นข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นหลังข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์จะพาพระองค์ข้าม นั้นเป็นวิสัยของบิดาและปู่ของข้าพระองค์ข้าแต่พระมหามุนีขอพระองค์ทรงอนุเคราะห์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคผู้มหามุนีทรงสดับคำทูลเชิญของข้าพเจ้าแล้วเสด็จขึ้นหลังข้าพเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานจึงพาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกข้ามไปที่ฝั่งแม่น้ำฝั่งโน้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้ทรงเป็นผู้นำศาสตร์โลกทรงทําให้ข้าพเจ้าพอใจณที่นั้นว่าท่านจักได้บรรลุอมตะธรรมข้าพเจ้าจุติจากกายนั้นแล้วได้ไปเกิดยังเทวโลกมีเหล่านางเทพอับซรห้อมล้อมได้เสวยทิพยสุขข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพได้ครองเทวสมบัติเจ็ดชาติและได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสามชาติข้าพเจ้าประกอบวิเวกอยู่เนือง มีปัญญารักษาตนและสมรวมดีแล้วทรงร่างกายซึ่งมีในพพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลับที่เก้าสิบสนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้พาพระผู้มีพระภาคผู้องค์อาจกว่านรชนข้ามแล้วจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการพาพระผู้มีพระภาคข้ามคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แป และอภิญยาหกพราพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพราพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุตยเถระได้พาสิกคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้อุตยเถราประธานที่แปดจบเกเอกัญชลิกะเถราประธาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิกะเทระพระเอกัญชลิกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคําพระนามว่าวิปสัสสีทรงเปรียบด้วยนายเขวี้นผู้เลิศผู้เป็นนรชนผู้ประเสริฐทรงเป็นผู้นําโดยวิเศษกำํำลังเสด็จไปในระหว่างร้านตลาด ทรงฝึกผู้ที่ยังไม่ได้รับการฝึกผู้คงที่เป็นเจ้าลัทธิใหญ่มีปัญญามากข้าพระองค์ได้เห็นแล้วจึงเป็นผู้เลื่อมใสมีใจยินดีแล้วได้ประคองอัญชลีแนกลับเที่ย้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ประคองอัญชลีไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการประคองอัญชลีคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสี วิโมกแปดและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสาเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอกันชลิกะเทระได้พาสิทธถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้เอกันชลิกะเทราประธานที่เก้าจบสิโคมทายกะเทราประธาน ประวัติในดิตชาติของพระโคมัทายกะเทระพระโคมัทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพ่อค้าอาศัยอยู่ในกรุงพันธุมดีได้เลี้ยงดูพัน ญ, ญาด้วยการค้าขายนั้นและปลูกเพืชสมบัติข้าพเจ้าต้องการบุญกุศลจึงได้ถวายภาพเปลือกไม้ผืนหนึ่งแด่พระาศาสดาทรงพระนามว่าวิปัสสี ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ซึ่งเสด็จดำเนินอยู่ที่ถนนเนี่ยกลับที่เกบอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายภาพเปลือกไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายภาพเปลือกไม้เนี่ยกลับที่ยี่สิเจ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เกิดเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าสินทวะสันทนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการ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 สุภูติวัคที่สาจบบริบูรณ์ภาณวาระที่สจบรวมอปทานที่มีในวัค this คือหนึ่งสุภูติเทราประทาน 2. อุปวานะเทราประทาน 3. ติชรณคมนียเทราประทาน 4. ปัญจศีลลาสมาทานียเทราประทาน 5. อเ น, นสังสาวกะเทราประทาน 6. กทูปะทายะกะเทราปรทานเจปูรินะปูชกะเทราปรทาน 8. อุติยะเทราปรทาน 9. เอกันชลิกะเทราปรทานส0โคมะทายะกะเทราปรทานในวรรคที่สามมีสิบเรื่องดังว่ามานี้รวมคาถาทั้งหมดที่ท่านกล่าวไว้มีหนึ่งร้อยแปดสิบห้าคาถา ทธานวค์หมวดว่าด้วยพระกุณฑทัานะเป็นต้นหนึ่งกุณฑทัทนะเทราประทานประวัติในเดจจ่าของพระกุณฑทัทนาเทระพระกุณฑทัทนะเทร ะ, ร ะ, ทะเระมื่อจะประกาศประวัติในเดชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพุทเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้บ่มรงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดทรงเป็นพระสยามภู เป็นบุคคลผู้เลิศเสด็จปลีกเร้นอยู่เจ็ดวันเข้าพเจ้ารู้เวลาที่พระองค์จะเสด็จออกจากสมาบัติจึงได้ถือกล้วยหวีใหญ่เข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระมหามุนีพระนามว่าปทูมุตระพระผู้มีพระภาคผู้เป็นสัพพันยูผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเป็นมหามุนีเมื่อจะทำจิตของเข้าพเจ้าให้เลื่อมใสจึงทรงรับแล้วเสวย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบด้วยนายเวนผู้ยอดเยี่ยมสวยแล้วประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเรายักษ์ที่ประชุมกันอยู่ที่ภูเขานี้และคณะผู้ในป่าทั้งหมดจงฟังคําของเราเราจะพยากรณ์ผู้ที่บ่มรงพระพุทธเจ้าผู้เป็นดังพยาเนื้อชาติไกลสอนท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด ผู้นั้นจักเป็นเทวราช11อดชาติและจักเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิชาติเนี่ชกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโค์ทรงสมภพในราชสกุลโอกากา ก, าก ร, ราชจากอุบัติขึ้นในโลกผู้นั้นจักด่าสมณะทั้งหลายผู้มีศีลผู้ไม่มีอาสาวะจักได้การขนานนามเพราะวิบากแห่งบาปกรรมเขาจักมีนามว่า กุณฑ ท, ทานะเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเข้าพระเจ้าขวนขวายวิเวกอยู่เนืองๆมีปกติเข้าฌานยินดีในฌานให้พระาศาสดาทรงพอพระทัยแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะพระผู้มีพระภาคชินเจ้ามีเหล่าสาวกแวดล้อมมีหมู่พิษุข้อมล้อมประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พิษุแล้ว ทรงให้ข้าพเจ้าจับสลากข้าพเจ้าห่มผ้าชวีงบ่าอภิวาพระาศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวอยู่ได้จับสลากเป็นครั้งแรกต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐด้ือกรามนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทาเหมือนจักรวาลให้วันไหวประทับนั่งในถ้ากลางหมู่ภิกษุทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตาแหน่งอันเลิศ ข้าพเจ้ามีความเพียรสำหรับนำพาทุระเป็นความเพียรที่นำมาซึ่งทำเป็นแดนเกษมจากโยคะข้าพเจ้าทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระกุณฑธานะเถระได้พาสิกธถาเหล่านี้ด้วยประการชนิคุณฑธานะเถราประธานที่หนึ่งจบสสาคตะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระสาคตะเถระพระสาคตะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้เป็นพราหมณ์มีนามว่าโสพิตะห้อมล้อมด้วยจิตของตนได้ไปยังอารามในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษมีหมู่ภิกษุห้อมล้อมเสด็จออกจากประตูอารามและประทับยืนอยู่ข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ฝึกพระองค์แล้วมีหมู่ภิกษุผู้ฝึกตนห้อมล้อมแล้วจึงทำจิตของตนให้เลื่อมใส ชมเชยพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่าต้นไม้ทุกชนิดนั้นขึ้นงอกงามบนแผ่นดินได้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีความรู้ก็ฉันนั้นย่อมงอกงามในศาสนาของพระชินเจ้าแม้พระองค์ทรงเป็นสัพพันยูเปรียบด้วยนายเวนทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงชักนำชนจํานวนมากออกจากทางผิดแล้วตรัสบอกทางถูก ทรงฝึกพระองค์แล้วมีหมู่ภิกษุผู้ฝึกตนห้อมล้อมแล้วมีปกติเข้าฌานมีหมู่ภิกษุห้อมล้อมผู้ยินดีในฌานมีความเพียรห้อมล้อมด้วยผู้มีจิตเด็ดเดี่ยวสงบระงับผู้คงที่พระองค์ประดับด้วยสาวกบริสัททรงงดงามด้วยพระญาณที่เกิดจากบุญพระองค์มีพระรัศมีโพยพุ่งดัง ด, งดวงอาทิตย์อุทยัยฉะนั้น พระาศาสดาพระนามว่าปทุมุตระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทอดพระเนตรเห็นข้าพเจ้าผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วประทับยืนอยู่ในถ้ำกลางหมู่พิกษุได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าพรามใดเกิดความร่าเริงแล้วสรรเสริญเราพรามนั้นจะเริ่อนรมในเทวโลกแสงกลับเขาถูกกุศลลูลตักเตือนแล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต จากบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโคโดมครั้นบวชในศาสนาแล้วจะได้ความยินดีและความร่าเริงมีนามว่าสาคตะเป็นสาวกของพระศาสดาเขาพระเจ้าครั้นบวชแล้วเว้นกายทุจริตและวจีทุจริตชำระอาชีวะให้บริสุทธิ์เขาพระเจ้าอยู่อย่างนี้เป็นผู้ฉลาดในเตนโชธาตุธาตุไฟกาหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว อยู่อย่างผู้ไม่มีอาจวะคุณวิเศษเหล่านี้เพื่อปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอพิญญาหก้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระสากตะเถระได้พาสิกคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สากตะเถราประธานที่สองจบสาม มหากัจจายนะเทราประทานประวัติในดดตชาติของพระมหากัจจายนะเถระพระมหากัจจายนะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระเจดีย์วิหารที่ประทับชื่อว่าปทุมะของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นที่พึ่งพระนามว่าปทุมุตตะข้าพเจ้าได้ทำแผ่นศิลาไว้ภายใต้แล้วใช้ทองคำไล้ทาแผ่นศิลานั้น และได้กั้นฉัดซึ่งทําด้วยรัตนะแล้วเถอพัดวาลวีชนีพัดถวายพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของสัตว์โลกผู้คงที่ภูมิทเทวดาเทวดาผู้อาศัยอยู่บนแผ่นดินมาประชุมกันทั้งหมดเท่าที่มีในครั้งนั้นด้วยหวังว่าพระศาสดาจากตรัสผลแห่งกลางกั้นฉัดซึ่งทําด้วยรัตนะพวกเราจากฟังพระศาสดาตรัสเรื่องทั้งหมดนั้น จะเพิ่งเกิดความร่าเริงอย่างยิ่งในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามปูเป็นบุคคลผู้เลิศประทับนั่งบนอาสนะทองแล้วมีหมู่พิสุห้อมล้อมได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราจากพยากรณ์ผู้ที่ได้ถวายอาสนะซึ่งทําด้วยทองและกั้นฉับซึ่งทําด้วยรัตนะนี้ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด ผู้นั้นจกเป็นจอมเทพ ค, ครองเทวสมบัติสามสิบกับจากแผ่รัศมีไปร้อยโยดโดยรอบผู้นั้นจะมาเกิดยังมนุษยีโลกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าปภัสระจากเป็นผู้มีเดชแผ่ไปผู้นั้นจกได้เป็นกษัตริย์ส่องสว่างไปแปดศอกโดยรอบทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนดวงอาทิตย์อุทัยฉะนั้น เนืกับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอก า, ก า, การาชจากอุบัติขึ้นในโลกผู้นั้นถูกกุสลมูลตักเตือนแล้วจากจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นบุตรของพรหมีนามว่ากัจจานะตามโคดภายหลังเขาออกบวตแล้วจากสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่มีอาสวะ พระโคดมผู้สองโลกให้ช่อช่วงจักตั้งเขาไว้ในเอตาทัคะเขาจักตอปัญหาที่ถูกถามอย่างย่อได้โดยพิดาราและเมื่อต่อปัญหานั้นจักทำอธยาสัยให้เต็มได้ข้าพเจ้าเป็นพราหมผู้อภิชาตบุตรในตระกูลที่มั่งคั่งจบมนสละทรัพ์และเข้าเปลือกแล้วออกบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อถูกถามปัญหาแม้โดยยอ่อข้าพเจ้าก็กล่าวแก้ได้โดยพิดาร ทำอธัธยาศัยของชนเหล่านั้นให้เต็มให้พระผู้มีพระภาคผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ทรงพอพระทัยได้พระมหาวีระผู้เป็นพระสยามภูเป็นบุคคลผู้เลิศเขาพเจ้าทำให้ทรงพอพระทัยแล้วประทับนั่งในถํากลางหมู่พิกสุแล้วทรงตั้งเขาพเจ้าไว้ในเอตทัคคะคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสังพิทาสีวิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหก ข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมหากัจจายนะเถระได้พาสิกขาฐาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้มหากัจจายนะเทราประทานที่สามจบสกาลุทายีเถราประทานประวัติในริตชาบทของพระกาลุทายีเทระ พระกาลุทายีเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาตของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่เสด็จดำเนินทางไกลเที่ยวจาริไปในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ถือดอกปทุมดอกอุบลและดอกมะลิซ้อนที่บานสะพรั่งและถือเข้าสุขชันดีมาถวายพระศาสดาพระมหาวีระสวยเข้าสุขชันดี ชนะอย่างดีอันหนึ่งกลาลุ่ทายีรับดอกไม้นั้นแล้วมอบถวายแก่พระชินเจ้าผู้ที่ได้ถวายดอกประทุมชั้นดีเยี่ยมที่น่าปรารถนาน่าใครนี้แก่เราชื่อว่าทําสิ่งที่ทําได้ยากเราจะพยากรผู้ที่ใช้ดอกไม้บูชาและได้ถวายข้าวสุกชั้นดีแก่เราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นั้นจะครองเทวสมบัติสิปชาติ ดอกอุบลดอกปถุมและดอกมะลิซ้อนจะมีในเบื้องบนผู้นั้นด้วยผลบุญของเขาผู้คนจกสร้างหลังคาประกอบด้วยของหอมที่เป็นทิพย์กั้นไว้ในอากาศในเวลานั้นเขาจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิยีห้าชาติจกเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแผ่นดินห้าร้อยชาติเนกลับที่หนึ่งแสนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคด ทรงสมภพในราชสกุลโอกากาคราชจากอุบัติขึ้นในโลกเขายินดียิ่งในกรรมของตนถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจะเกิดเป็นเผ่าพันธ์แห่งพระญาติที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแก่พวกเจ้าสักยะและภายหลังเขาถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วบวชกำหนดรู้อาศวะทั้งปวงจากเป็นผู้ไม่มีอาศวะแล้วนิพพานพระโคดมผู้เป็นเผ่าพันธ์ของโลก จากทรงตั้งเขาผู้บรรลุปฏิสัมพิทาทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะไว้ในเอตทัทคะเขามีจิตเด็ดเดี่ยวเพื่อบำเพ็ญเพียรเป็นผู้สงบระงับไม่มีอุปธิมีนามว่าอุทายีตามโคดจากเป็นสาวก ข, ของพระาศาสดาราคะโทสะโมหะมานะและมะะัคคะอันข้าพเจ้ากำจัดได้แล้ว ข้าพเจ้ากำหนดรู้อาจวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะข้าพเจ้ามีความเพียรมีปัญญารักษาตนทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพอพระทัยแล้วและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงยินดีได้ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งอันเลิศคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิน ญ, ญาหข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระกาลุทายีเถระได้พาสิทธิคถ า, าเหล่านี้ด้วยประการศนี้กาลุทายีเถราประทานที่สี่จบหโมคราชเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระโมคราชเทระพระโมคราชเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามผู้พระนามว่าอัฏฐทัศนีผู้ไม่สรงพ่าแพ้มีหมู่ภิกษุห้อมล้อมเสด็จดำเนินไปที่ถนนข้าพเจ้ามีสิทธิ์ทั้งหลายแวดล้อมออกจากเรินไปครั้นออกไปแล้วได้พบพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกที่ถนนนั้นข้าพเจ้าประคองอัญเชลีเหนือเสียนกล้าว ถวายอภิวาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วชมเชิพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกว่าสัตว์ทั้งที่มีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตามที่มีสัญญาก็ตามไม่มีสัญญาก็ตามมีจํานวนเท่าใดสัตว์จํานวนเท่านั้นทั้งหมดย่อมเข้าไปปรากฏภายในพระยางของพระองค์เปรียบเหมือนสัตว์น้ําเหล่าใดเหล่าหนึ่งบรรดามี สัตว์เหล่านั้นย่อมตกอยู่ภายในแหของคนที่เอาแหตาทีๆเวียงคลุมน้ำาฉะนั้นอันหนึ่งสัตว์เหล่าได้มีเจตนาสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ท, ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปย่อมเข้าไปปรากฏภายในพระยานของพระองค์พระองค์ทรงช่วยเหลือสัตว์โลกที่อากูลนด้วยความมืดนี้ได้สัตว์เหล่านั้นได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วย่อมข้ามกระแสความสงสัยได้ สัตว์โลกถูกอวิชาหุ้มห่อไว้แล้วถูกความมืดปกคลุมแล้วเมื่อพระยานของพระองค์ชดช่วงอยู่ความมืดก็ถูกขจัดแล้วพระองค์เป็นผู้มีพระจักษุบรรเทาความมืดที่ใหญ่หลวงของสัตว์ทั้งปวงได้ชนจำนวนมากฟังธรรมของพระองค์แล้วจากนิพพานเขาพระเจ้านำน้ำพึ่งรวงที่ไม่มีโทษใส่เต็มหม้อแล้วใช้มือทั้งสองข้างประคอง น้อมถวายพระผู้มีพระภาคผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคผู้มีความเพียรมากผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงรับด้วยพระหัตถ์ของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้สักพันอยู่ครั้นสวยน้ำพึ่งนั้นแล้วเสด็จเหาะขึ้นสู่นภาอากาศพระศาสดาพระนามว่าอัถทัสสีผู้องค์อาจกว่านรชนประทับยืนอยู่ในอากาศ เมื่อจะทรงทาจิตของข้าพเจ้าให้เลื่อมใสได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าผู้ใดชมเชยพระยานนี้และชมเชยพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นผู้นั้นจะไม่ไปเกิดยังทุกติเลยและผู้นั้นจะครองเทวสมบัติ64ชาติจกเป็นพระเจ้าประเทศราชครองแผ่นดิน108ชาติจกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ105ชาติ จกครองประเทศราชในแผ่นดินนับชาติไม่ถ้วนเขาจะเป็นผู้คงแขกเรียนทรงมต์จบตรยเพศจากโบวถ์ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดมเขาจากพิจารณาเนื้อความที่ลึกซึ้งละเอียดได้ด้วยยานจะมีนามว่าโมคราชเป็นสาวกของพระศาสดาเขาจากสมบูรณ์ด้วยวิชาสามทำกิจที่ควรทาเสร็จแล้วไม่มีอาสวะ พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมทรงเปรีบรยบด้วยนายเกวียนผู้เลิศจากทรงตั้งเขาไว้ในเอตัคสขะข้าพเจ้าละโยคะที่เป็นของมนุษย์ได้แล้วตัดจิเลสเครื่องผูกพันเคอพบได้แล้วกําหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะคุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระโมคคราชเถระได้พาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้โมคคราชเถราประธานที่ห้าจบ